ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระพิษุสงฆ์สัมปันเณ็นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาจงตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะทำอะไรช้าเมื่อวานได้บอกไว้ว่า อะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยเหตุที่ทำให้เกิดคืออะไรปัจจัยที่ทำให้เกิดคืออะไรวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้นั่งพิจารณาพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองอยู่เป็นเนือง ว่าวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำอยู่ในขนาดนี้ทำแล้วเราได้อะไรหูที่เราได้ยินอยู่ในขนาดนี้เนี่ยเราได้ยินแล้วเราได้อะไรตาที่เรากำลังหลับอยู่ในขนาดนี้เมื่อเราหลับตาลงแล้วเราจะได้อะไรถามไปที่ใจตัวเอง จมูกที่เราหายใจอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่เราหายใจเข้าหายใจออกเราได้อะไรใจที่เรากำลังข่มไว้อยู่ในขณะนี้เนี่ยข่มไว้เราจะได้อะไรมือทั้งสองข้างที่เราเอามาวางทับกันเนี่ยเราวางทับกันแล้วเราจะได้อะไรพิจารณาไป ขาเราทั้งสองข้างเรามาวางทับกันเนี่ยเราจะได้อะไรอะไรที่เป็นเหตุที่จะต้องให้เราทำเราก็พิจารณาไปเหตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์สมณะชีพาม ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีเหตุเหตุด้วยที่ว่าองค์สัมาสม า, ม า, มาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้มาก่อนได้ประพฤติมาก่อนได้ทำมาก่อนก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้นําพระธรรมคําสั่งสอนมาสอนแต่พระภิกษุสงฆ์ ภิสุทสงฆ์ก็ดำพะดำคาสั่งสอนมาสอนให้กับอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นเหตุที่มันทาให้เกิดในแต่ละวันในชีวิตของเราเหตุที่มันเกิดอยู่เป็นประจำเหตุที่มันเกิดอยู่ทุกขณะเพราะอะไรเพราะจิตมันปรุงแต่งอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานว่า เราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรเป็นสิ่งเรามีอะไรเป็นตัวเราเป็นตัวกระตุ้นใจเราให้มันทำหน้าที่ให้มันทำงานอะไรเป็นตัวกำหนดให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นภายในใจของเรากายเราเป็นตัวกำหนดกำหนดว่าเราต้องทำอย่างนี้กำหนดว่าเราต้องทำอย่างนั้น เรากาหนดเองโดยเหตุเหตุตามที่ใจเราปรุงแต่งใจมันคิดเรามีหูไว้ฟังแต่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะฟังเรามีตาไว้ดูบางครั้งเราก็ไม่อยากจะดูเรามีจมูกไว้หายใจบางครั้งเราก็ไม่อยากจะหายใจเรามีปากไว้พูดบางครั้งเราก็ไม่อยากพูด มันเป็นเพราะเหตุอะไรเหตุเพราะความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นภายในใจใจมันปรุงแต่งเอาสิ่งเศร้ามองเข้ามาเก็บไว้ภายในใจเราโดยที่เราไม่ได้ชำระล้างจิตใจของเราเลยวันหนึ่งเนี่ยเรามองตัวเราเองแล้วเรารู้ตัวเราเองอยู่ทุกขณะหรือไม่เชื่อได้ว่าไม่มีใครรู้ทุกขณะ ในการที่เราใช้ชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะเราไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยเนี่ยเราก็ตัดไม่ได้ผู้ประพฤติปฏิบัติทำนองใดสิ่งใดที่เราทิ้งได้เราต้องทิ้งสิ่งใดที่ตัดได้เราต้องตัดสิ่งใดที่เลิกได้เราต้องเลิกทิ้งในที่นี้ทิ้งอะไร ตัดในที่นี้ตัดอะไรเลิกในที่นี้เลิกอะไรก็พยายามนั่งพิจารณาไปตามเหตุตามปัจจัยทิ้งในที่นี้ก็หมายถึงทิ้งความโกรธทิ้งไปไอ้ความโกรธเนี่ยมันสร้างแต่ความเสียหายความสร้างแต่ความแตกฉานสร้างแต่ความเล้าลานไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลย เรามีความปรารถนาเหรอเรามีความต้องการให้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจเราเกิดขึ้นในขันทะสันดานเกิดขึ้นในขันห้าของเราเป็นอย่างนั้นเหรอโกรธแล้วเราจะได้อะไรทำไมเราไม่ยอมทิ้งความโกรธไปสะทีเราจะโกรธอยู่ทำไมเราจะโกรธอยู่เพื่ออะไรเราทิ้งมันไปเถอะ เราอย่ากเก็บมันไว้เลยสิ่งที่เราควรตัดคืออะไรความโลภเราควรตัดความโลภเชื่อว่าทุกคนย่อมมีแม้กระทั่งพระพิสุสงก็ยังมีอยู่เพราะเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดามห่มพาเพื่อเป็นพระพิสุสงก็ยังมีอาตมาเองก็ยังมีความโลภอยู่ เพราะเรามีความรู้สึกยังไงเราก็ต้องรู้ตัวเองโลภในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยมีอยากได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยได้ฉันใดก็ฉันนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อใจเรามีความโลภเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าความโลภที่เราต้องการอยู่ทุกขนาดเนี่ยเราจะโลภไปเพื่ออะไร เราจะดักได้ไปเพื่ออะไรอยากได้เพื่อมาทำร้ายตัวเองอยากได้เพื่อมาทำลายใจตัวเองตัดได้เราก็ต้องตัดความโลภเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราจะมีความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นข้องหมองหมัวเกิดขึ้นในใจเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะทำยังไงทุกคนมีหน้าที่ ทุกคนมีการดำเนินชีวิตเหมือนๆกันคล้ายกันในแต่ละวันแต่ความโกรธความโลภของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันสิ่งไหนที่เราควรเลิกก็คือความหลงเราเลิกหลงซะตั้งแต่วันนี้ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมต้องไม่หลงนะไม่หลงในอะไรไม่หลงในกาย ไม่หลงในใจตัวเองคือไม่หลงตัวหลงตนถ้าเรามโมคิดอยู่ว่ากายเหล่านี้เนี่ยเป็นของเราใจนี้เป็นของเราเนี่ยแสดงว่าเราลงังหลงอยู่หลงไม่รู้ว่าทางที่เราจะไปจริงๆเนี่ยคือทางไหนเส้นทางที่เราจะดําเนินชีวิตไปเนี่ยเราไม่รู้จะดําเนินชีวิตอย่างไร เพรเราโแติหลงหลงยึดจิตอยู่กับสถานที่หลงยึดจิตอยู่กับบุคคลหลงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองแล้วเราลองคิดลองพิจารณาว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันทำให้กายเราดีขึ้นไหมทำให้ใจเราดีขึ้นไหมก็ไม่เลยผู้ ป, ปฏิบัติทําหลงไม่ได้ เมื่อหลงแล้วเราไปไม่ถูกทางเรามองไม่เห็นทางแล้วเราก็ไม่รู้ทางที่จะไปเพราะมันเกิดความหลงอยู่หลงสิ่งอื่นใดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับหลงกายตัวเองหลงใจตัวเองน่ากลัวหลงไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งหลงไปว่าตัวเองนี่เป็นคนรู้หลงเนี่ยว่าตัวเองเป็นคนฉลาดเราอย่าไปหลง แค่ให้เรารู一 dodge, 一้เท่าทันมันก็พอสิ่งไหนเรารู้เราก็พิจารณาว่าเรารู้สิ่งไหนเราเห็นเราก็ต้องพิจารณาว่าเราเห็นสิ่งไหนที่เราได้ยินก็ต้องพิจารณาว่าเราได้ยินเราจะเอากายเอาใจเราไปปรุงแต่งต่ออีกเลยเราต้องพิจารณาอย่างนั้นอย่าไปหลงในรูปอย่าไปหลงในกลิ่นอย่าไปหลงในรส รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะสัมมาลมต่างๆเนี่ยที่เราหลงอยู่ทุกวันหลงอยู่ทุกวันเนี่ยล้วก็พิจารณาไปที่ใจตัวเองว่าเราหลงอยู่แล้วเราจะได้อะไรบางคนก็หลงลูกบางคนก็หลงสามีบางคนก็หลงภรรยาบางคนก็หล ง, งคลงรบงคงอบครัวความหลงเนี่ยเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณะ ความหลงเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกเวลาเราจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเรามีจิตใจตั้งมัน่นมีจิตใจที่เป็นกุศลพร้อมที่จะสร้างกุศลให้กับใจพร้อมที่จะสร้างกุศลให้กับกายตนเองเราต้องอย่าให้ความหลงเข้ามาครอบงาเรา เมื่อความหลงเข้ามาครอบงาเราแล้วเนี่ยเราลองคิดเราลองพิจารณาชีวิตเราเนี่ยไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนบางครั้งชีวิตก็คิดไม่ออกบางครั้งชีวิตก็บอกใครไม่ได้เมื่อเราคิดไม่ออกเราบอกใครไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเราก็บอกตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเองเราก็คิดไม่ออก กับความหลงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายเราเราต้องพยายามพิจารณากายเราอยู่เป็นหนึ่งๆพิจารณาความเป็นไปในร่างกายว่าโอ้น oh า no, ในขณะนี้เนี่ยกายเราต้องการอะไรใจเราต้องการอะไรบางคนเนี่ยกายป่วยก็ต้องการให้กายหายบางคนเมื่อใจมันป่วยก็ต้องการให้ใจมันหาย ชันใดก็ฉันนั้นต้องพิจารณาว่ากายสังขารเราในขนาดนี้เนี่ยมีแต่สภาวะทุกข์มีแต่เกิดทุกข์เกิดโทษกับชีวิตเราอยู่ทุกวันกายคนเราเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าเป็นสิ่งเน่าเหม็นเป็นที่สะสมของโรคเป็นรังของโรคร่างกายของมนุษย์เนี่ย เป็นที่อยู่ที่อาศัยของความชั่วร้ายเป็นที่อยู่ที่อาศัยของมัจจุราชที่มันซุกซ่อนอยู่ภายในกายเราเป็นสิ่งที่ซุกซ่อนความหยาบเป็นสิ่งที่ซุกซ่อนความดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกายของชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรเลยมีแค่กระดูกเป็นโครงสร้าง มีแค่หนังเป็นโครงหลังคาเพื่อห่อหุ้มไว้ไม่ให้รู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นแต่เราลองพิจารณาถ้าวันไหนเราลองเลาะกระดูกออกเนี่ยให้เหลือแต่เนื้อแต่หนังเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมเรามัวแต่หลงกายอยู่หลงกายตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหลงใจเนี่ยน่ากลัวเมื่อใจมันหลงเนี่ยมันก็จะไปโดยที่ ไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ใจมันเลื่อนลอยเขาเรียกว่าใจมันเลื่อนลอยมันก็ล่องลอยไปเรื่อยตามสภาพอากาศตามความรู้สึกนึกคิดภายในใจจนเราไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ในจิตที่มันปรุงแต่งว่า ในขณะนี้เนี่ยจิตเราปรุงแต่งเพราะอะไรจิตเรามีความต้องการเพราะอะไรเพราะอะไรเราต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเนี่ยในกายในใจเราในขณะนี้เนี่ยเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิด เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราต้องทำความเข้าใจเมื่อเราทำความเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะรู้เท่าทันตัวเองการที่เรารู้เท่าทันตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเรารู้ท้ายจำตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้จักใช้ชีวิตไม่ให้ประมาทไม่ให้มวัวเมาไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราต้องมีสติในการใช้ชีวิตเราต้องมีปัญญาในการนึกคิดเพื่อที่จะกระทำสิ่งใดให้กับชีวิตเราเองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้สิ่งที่เป็นกุศลอยมบังเกิดขึ้นภายในจิตของท่านทุกคนเพราะเรามีความตั้งมั่นตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อเราเริ่มต้นดีบั้นปลายก็ต้องดีด้วยถ้าเราเริ่มต้นดีบั้นปลายเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเร่งเกินไปก็ไม่ดีรีบเกินไปก็ไม่ดีอยากเกินไปก็ไม่ดีต้องการมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องทำเทพอดีต้องทำแต่พอเหมาะ ต้องทำแต่พอควรถ้าเราคิดว่าทำดีแค่นี้เราก็พอเราทำได้แค่นี้คิดว่าเหมาะเราก็พอถ้าเราทำมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียขึ้นกับกายและใจเราเมื่อมากเกินไปกายมันเริ่มล้าใจมันก็เริ่มท้อเมื่อกายมันล้าใจมันท้อปุ๊บความที่ สิ่งที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นภายในใจเมื่อสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บมันทำลายสมาธิเราทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลที่มันเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจอกุศลที่มันเกิดขึ้นภายในความรู้สึกอกุศลมันเกิดขึ้นในอารมณ์ที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา และมันจะทำลายสมาธิโดยไม่รู้ตัวเลยผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รู้ตัวเลยว่าในขณะนั้นน่สมาธิเราหายไปไหนสมาธิหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะว่าเราอาจจะง่วงหายไปเพราะว่าเราอาจจะขาดสติก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยสมาธิหายไปเพราะว่าเรา มีสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาเข้ามาเป็นตัวเลา้าเข้ามาเป็นตัวปรุงแต่งเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นใจเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งที่เป็นอกุศลกระตุ้ น, นลืมตาเธอลืมตาเธอเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วนี่ไงคือสิ่งที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นมันกระตุ้นอารมณ์เรากระตุ้นอารมณ์อยู่ เล้าอารมณ์เราอยู่พอแล้วเราไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ให้เรารู้เท่าทันแค่นั้นเองรู้เท่าทันว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นอกุศลมันเกิดแล้วเราจะข่มมันยังไงข่มไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราค่อยข่มมันใหม่วันนี้เราเอาชนะมันไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยเอาชนะมันใหม่ การชนะอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็ชนะอย่างประเสริฐแต่ถ้าเราชนะแล้วมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นการชนะที่เป็นอคุสลเป็นการชนะที่เอารัดเอาเปรียบแต่กว่าที่เราจะชนะใจเราเองเนี่ยเราต้องทำตัวเอง ต้องรู้ตัวเองต้องเข้าใจตัวเองใช้ชีวิตยังไงให้เป็นปกติใช้ชีวิตยังไงให้คุ้มค่าเวลาของชีวิตคนเรามันเหลือไม่มากเราอย่าไปคิดว่าเรายังมีชีวิตอีกยาวนานเราอย่าไปหลกตัวเองเราอย่าไปปอบโยนตัวเองให้มากชีวิตคนเราเหลือไม่มากแล้ว วันนึงถ้าเราได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับกายและใจเราบ้างก็จะมีความรู้สึกดีขึ้นเชื่อว่าทุกคนจะมีความรู้สึกเช่นนี้ถ้าทาสิ่งดีทุกคนก็ต้องรู้สึกดีถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนก็รู้สึกที่ไม่ดีเช่นกันชั้นใดเขาฉันนั้นคําตอบของเหตุและผลคําตอบของปัจจัยที่เกิด ขึ้นทุกขณะที่เราปฏิบัติเกิดขึ้นทุกขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เราเห็นอย่างชัดเจนเรารู้อย่างชัดเจนเราได้อย่างชัดเจนแน่นอนเรารู้ว่าขณะนี้เราคิดยังไงเรารู้ในขณะนี้เรารู้สึกยังไงขณะนี้เราเมื่อยก็ให้รูขณะนี้เราล้าก็ให้ดู ขณะนี้เราหิวก็ให้รู้ค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละอย่างค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละเรื่องใจเรามีแค่ใจเดียวเราจะให้เราเข้าใจทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้จะให้เราทำใจได้ทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้แต่เราต้องค่อยๆพิจารณาพิจารณาให้เห็นเหตุและให้เห็นปัจจัย เมื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเราก็จะเห็นผลของการกระทำของเราในที่สุดเอาล่ะก็ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ได้คิดได้พิจารณาหาเหตุหาผลหาปัจจัยว่าเราจะพิจารณากับกายเรายังไงเราพิจารณากับใจเราอยังไง เราจะทำอะไรให้กายของเราเราจะทำอะไรให้กับใจของเรากายกระใจเราเราใช้มาทั้งชีวิตแล้วเรายังไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับกายเราเลยกับใจเราเลยเพราะนั้นสิ่งใดที่เราคิดว่ามีค่าที่สุดสำหรับกายเราก็รีบหาให้กายซะสิ่งใดที่มีค่าที่สุด ให้กับใจเราก็ต้องรีบหาให้ใจซะก็ฝากไว้ได้พิจารณาโดยที่มีสติเป็นที่ตั้งและผู้ประพิปฏิบัติจะเข้าใจว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรอาก็ค่อยลืมตา อ, ออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำพร้อมกระพระไปสู่สงค์อีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ